สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเสียงที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเสียงจากหนังสือพุทธจริยศาสตร์ของท่านอาจารย์วสินินทศระนะคะพิมพ์ครั้งที่สองเมื่อกันยายน2549ยสาโดยสำนักพิมพ์ธรรมดาเนื้อหาสาระของหนังสือแบ่งเป็น9บทนะคะเริ่มต้นด้วยบทนำจรรยศาสตร์จริยธรรม และพุทธจริยศาสตร์บทที่หนึ่งพุทธจริยศาสตร์ระดับต้นบทที่สองพุทธจริยศาสตร์ระดับกลางบทที่สพุทธจริยศาสตร์ระดับสูงบทที่สหัวใจสําคัญของพุทธจริยศาสตร์บทที่หธรรมชาติของมนุษย์บทที่6พันธะกรณีทางศีลธรรมบทที่7็ด ความสัมพันธ์ตามหน้าที่ของมนุษย์ในสังคมและบทที่8คุณธรรมขอเชิญทุกท่านติดตามฟังคำนำสำนักพิมพ์คำนำผู้เขียนและเนื้อหาสาระของหนังสือพุทธจริยศาสตร์โดยท่านอาจารย์วสินินทศระเป็นลำดับต่อไปนะคะ คำนำสํานักพิมพ์ในงานเขียนคุณภาพนับร้อยเล่มของท่านอาจารย์วสินินทศระผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นปราทางพุทธศาสนาท่านหนึ่งแห่งยุคสมัยนี้ผมมักจะได้พบข้อความเตือนจิตสกิดใจที่ลึกซึ้งมากมายเกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตหนึ่งในข้อความที่ประทับใจผมมากคือการที่ท่านกล่าวว่า การที่คนเราจะทำอะไรได้มากและได้ดีนั้นต้องอาศัยสติปัญญาความเพียรการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยจะต้องกำหนดคุณค่าแห่งชีวิตไว้ให้แน่นอนเหมาะสมเพราะบุคคลที่ไม่ได้กำหนดคุณค่าแห่งชีวิตของตนไว้ให้แน่นอนเหมาะสมนั้นจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขไม่ได้เลยจะไม่พบความพอใจในชีวิต ต้องดิ้นรนเร่าร้อนโดยไม่จําเป็นอยู่ตลอดเวลาและต้องเสียเวลาไปมากเหมือนเดินทางโดยไร้จุดหมายและไม่ได้กำหนดเส้นทางไว้ล่วงหน้าข้อความนี้เหมือนคำเฉลยต่อคำถามที่ผมและคิดว่าอีกหลายๆท่านเคยตั้งคำถามลึกๆ ก, กับวันเวลาที่ผ่านเลยว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต ที่คุ้มค่าควรแก่การลงทุนทั้งแรงกายแรงใจและผลที่ได้รับกลับมานั้นจะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่สมบูรณ์และทําให้สังคมนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเมื่อได้มาอ่านหนังสือพุทธะจริศาสตร์ของท่านอาจารย์วสินเล่มนี้ช่วยให้ผมพบคำแนะนำที่มีความเฉียบคมสุขขุมลุ่มลึก รอบด้านและมีขั้นตอนการพัฒนาไปตามลำดับทั้งในด้านการประพฤติปฏิบัติส่วนตัวและการใช้ชีวิตทางสังคมซึ่งหากปฏิบัติตามนี้ได้เราทุกคนก็จะสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ไม่ยากเลยและสังคมนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นจริงๆผมจึงมั่นใจว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบสำหรับท่านเช่นกันด้วยรักบรรณาธิการคำนำผู้เขียนสำนักพิมพ์ธรรมดาขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือพุทธจริยศาสตร์ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดีหนังสือเรื่องนี้ได้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2541คือ8ปีมาแล้ว เพื่อการศึกษาในคณะศาสนาและปรัชญาของมหาวิทยาลัยมห า, มากุรราชวิทยาลัยเมื่อหนังสือนี้ออกไปแล้วทราบว่าวิทยาเขตต่างๆของมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้นำหนังสือนี้ไปใช้ในการศึกษาวิชาพุท ธ, ธาจาริยศาสตร์นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมอ่านของประชาชนทั่วไปด้วย ปัตนี้สำนักพิมพ์ธรรมดาจะจัดพิมพ์ขึ้นใหม่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือนี้จะทำให้ท่านผู้อ่านเข้าใจพุทธศาสนามากขึ้นด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินอินทศระสิบสิงหาคม2549